นัปฏิบัติไปเรื่อยๆานะ <c oughs> สำหรับชาวันนี้ก็จะได้สรุปเรื่องสติปัฏฐานสในส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์ที่เราสวดไปเมื่อวานแล้วก็สัมพันธ์กับการปฏิบัติในหลักวิธีการขลงพระเทียนอย่างไ ร, รทำความเข้าใจในจุดนั้นให้ชัด เพื่อได้เห็นเส้นทางของการปฏิบัติทั้งในส่วนที่เป็นหลักการและวิธีการเท่านี้ความลังเลสงสั ย, เ, ยเป็นส่วนสำคัญที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นและทำให้เราลาชา้าแต่ถ้าเราแก้ไขจุดดได้ในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าใน <c oughs> ตัวพฤติกรรม การเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่เราใส่สาระแห่งความรู้สึกตัวลงไปในทุกขณะการปฏิบัติก็เริ่มต้นอยู่แล้วทุกถนทุ ก, ท ก, ทกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่ในอียิปตดใดก็ตามนะนั้นความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะตัดความรังเลยสงสัยออกไปแล้วก็ความเข้าใจนั่นเองที่จะแปลเปลี่ยน ในส่วนที่เป็นลบให้เป็นบวกในส่วนที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลขึ้นมาในส่วนที่เป็นความไม่เข้าใจให้เข้าใจขึ้นมานะถึงแม้ว่ามันต้องใช้เวลาสั่งสมพอสมควรแต่ว่าใ น, นเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รวดเร็วนะ เหมือนเราทำการบ้านที่ด้วยความเข้าใจมันก็เสร็จไวแต่ทำด้วยความไม่เข้าใจนอกจากเสร็จช้าแล้วก็ไม่ถูกต้องอีกด้วยนะการปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ไม่ต่างกันในแง่ของนามธรรมาก็ดูรูปประธรรมเป็นหลักในส่วนที่เป็นจิตเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่เป็นนามนะเพราะในสติปัฏฐานสีในส่วนที่เป็นกายและเป็นเวทนาเนี่ยเป็นทั้งรูปนาม และเป็นทั้งในส่วนกายเนี่ยเป็นรูปนามในส่วนเวทนาเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมต่อได้ทั้งเป็นรูปนามและนามรูปต่อกัอนเข้าไปสู่จิตแต่ในส่วนจิตเนี่ยมันเป็นนามและเป็นทั้นามและรูปด้วยในจุดนี้ก็จะเป็นภาษาทางศาสนาภาษากรรมฐานขึ้นมาที่เราจะต้อง แล้อรู้แล้วจดจาไว้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะสื่อความหมายแล้ว <T> ในส่วนของจิตเวลาเรา <c oughs> คิดเนี่ยเราเอาอะไรมาคิดเวลาเราคิดเราเอาอะไรมาคิดและความคิดไม่ได้มีอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นบางครั้งบางคราว เพราะนั้นพื้นฐานจริงๆของจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความคิดมาก่อนนะพอเราลืมสติปับ๊บความคิดก็ปรากฏและสติเนี่ยมันมีสองลักษณะสติที่เป็นโดยสัญชตาตญาณก็คือเราไม่รู้ว่าคิดหรือไม่คิดคิดก็ไม่รู้ไม่คิดก็ไม่รู้นะอะไร ปรากฏขึ้นมาในใจก็ไหลไปตามมันนั้นก็มีความรู้สึกตัวอยู่ระดับหนึ่งแต่เป็นความรู้สึกตัวแบบไฟแต่เกี่ยงนะเป็นไฟเทียนไขไฟธรรมชาติซึ่งมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดและดับได้ไวเ <c oughs> พราะมันอาศัยเชื้อที่ไม่แน่นอน นะแล้วก็มีบริ s a ทในตัวของมันเองนะแต่ถ้าหากว่าเป็นสติที่เป็นสติประฐานเนี่ยมันเหมือนกับที่กำเนิดของที่มาของสติมันคงที่นะทำให้มันคงทีนะ่เช่นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนมันก็ระลึกไม่ได้ว่ามันเป็นลักษณะอย่างไร เพราะมันไม่มีการเสริมพลังไม่มีการพัฒนาแต่สติที่เป็นสัญชตาตญาณเนี่ยมันก็อาศัยที่ความารู้สึกที่มันมีอยู่แล้วตามสัญชตาตญาณแต่ว่ามันไม่มีพลังไม่มีกําลังแล้วแต่ความคิดจะพาไปมันก็ไปรับใช้ความคิดรับใช้กิเลสหมดสติประเภทนั้นเพราะฉะนั้น คนทั้งหลายก็จะมีสติปัญญาประเภทนั้นคือประเภทที่เป็นฉันชาตยานคือคิดก็ก็ไปกับความคิดคิดไปทางโลภโกรธหลงใช้สติปัญญาในทางโลภโกรธหลงมันนำไปสู่ตัวความเคยชินและนำไปสู่ตัวมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าคนที่ได้ฝึกฝนอบรมได้รับยินรับฟังได้ศึกษามาบ้างก็เริ่มมีความรู้สึกประเภทนี้ขึ้นมาบ้างแต่ก็มีน้อยมากแบางคนจคเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมดีแต่ก็ยังไม่พ้นอำนาจของราคะโทสะโมหะอยู่ดีเพราะความรู้สึกตัวแบบนั้นมันไม่มีพลังพอที่จะกลับมาดูตัวเองดงนั้นเองพวกเราจรึงมาศึกษาเรื่องกรรมฐาน เมื่อมาศึกษาเรื่องกรรมฐานก็เพื่อจะมาทําสติประเภทที่เป็น <c oughs> ปัญญาญาณให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมฐานหมวดใดหรือสำนักใดก็ตามที่ไม่ส่งเสริมหรือไม่ พ, อพ่อปูนสติสัมยะให้มีกําลังกรรมฐานวิธีนั้นหรือสำนักนั้นก็เป็นกรรมฐานที่ไม่ถูกต้องนะกรรมฐานหลายสำนักที่เราเคยได้ ทราบนําไปสู่ความอานอกทางหมดเลยนำไปสู่ความสงบนําไปสู่ฤทธิ์เดชปฏิหารนําไปสู่พลังอํานาจนําไปสู่การสื่อความหมายกับนะสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะแล้วก็ไปเป็นลักษณะของเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนเกี่ยวข้องกับเทพสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆออกไปมากมาย เราจะเห็นว่ากรรมฐานแบบนั้นก็มีเยอะเป็นลักษณะกรรมฐานแบบพรามไม่ใช่แบบพุทธแต่ในส่วนที่เรามาทำเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เน้นในเรื่องสติสัมปัญญะสมาธิและปัญญาโดยเฉพาะที่ไปสู่กรรมฐานที่ไปสู่ตัวสมถะเพื่อวิปัสสนาไม่ใช่สมถะเพื่ อ, อตัวพลังหรือตัวอานาจพิเศษอะไร็นลักษณะแบบพราม ที่กรรมฐานนําไปสู่ตัวนิพพานอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่นิพพานแบบพุทธศาสนาดังนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องนี้ค่อยๆดูดูว่าความรู้สึกตัวที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันอยู่ในลักษณะแบบไหนนะแต่ที่เราสื่อสัมผัสได้ง่ายๆคือเริ่มต้นมาจากรูปกับเวทนาเห็นรูปหยาบๆเช่นเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอน เห็นอากัปกิริยาที่มันมีอยู่เป็นประจำเช่นลมหายใจพับตาอ้าปากเนี่ยพยายามกลับเข้ามาดูสิ่งเหล่านี้ก่อนสําหรับผู้ใหม่จริงๆ น, นะแต่ถึงผูเ้เคยเคยปฏิบัติมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการขบวนการความเข้าใจถี่ถูกต้องก็สับสนเหมือนกันก็ทําไปมั่วๆด้วยชอวธรรมก็ผ่านมาหลายสนามเหมือนกันแต่พอไปถามความเข้าใจชัดเจนอะไรก็ไม่ได้เรื่องนั่นแสดงว่าความเข้าใจเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตาม เป็นระบบระเบียบที่ดีก็ทําให้เราสื่อความหมายกับตัวเองไม่ชัดเกิดความลังเลสงสัยอยูอ่อันนี้ก็เรียกว่าการสื่อความหมายที่แท้จริงยังไม่ชัดเจนก็ทําให้เรามีอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าเราได้ความเข้าใจที่ถูกต้องมาตามลําดับเราก็จะเห็นตามลําดับ ตั้งแต่แรกมาว่าเรามาเกี่ยวข้องกายอย่างไรเกี่ยวข้องกับเวทนายอย่างไรเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรเกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างไรเห็นเป็นเส้นทางชัดๆมาแล้วเราก็าจะต่อยอดไปได้ว่าเราจะต่อไปทางไหนเมื่อพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้เราก็าจะเห็นทางต่อไปได้ชัดเจนแต่ถ้ามันมาแบบมั่วๆ ม, มาแบบสับสนมันก็ไม่เห็นทางข้าหน้าไม่ชัดเจนการพัฒนาก็มีอุปสรรค อันนี้คือปัญหาของนักกรรมฐานนักปฏิบัติทั้งหลายว่าทำไมปฏิบัติมาสาปีหาปีเจดปีสิปีแล้วก็ยังไม่ไปไหน <_ d un> เพราะการเดินทางตั้งแต่แรกเนี่ยมันมันไม่แน่ใจถูกบ้างผิดบ้างเฉยออกออกพาบัางกลับเข้ามาในทางบ้าง <_ d un> ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ก <_ d un> ารเดินทางก็เต็มไปด้วยความลังเลสงสยัยแต่พอเรามาเรียบเรียง มืนมาตั้งอ่านแผนที่กันใหม่ประกอบด้วยครูผู้ชี้แนะนั้นเป็นผู้ชํานาญในแผนที่และชํานาญในการเดินทางก็จัดลําดับเส้นทางให้เราใหม่เราเริ่มเห็นเส้นทางให้ความผิดพลาดและที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเราจะเดินอย่างไรเนี่ยมาเริ่มเห็นดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันในวิธีการของข้อเทียนเนี่ยเหมือนกับว่ามาเรียบเรียงเส้นทางและแผนที่กันใหม่มาเขียนแผนที่กันใหม่ ว่าให้มันเป็นเส้นทางที่รัดขึ้นสั้นขึ้นเส้นทางไปตรงนั้นเ็นได้ทั้งหลายทางแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชำนาญทางเราจะเดินทางัดเดินทางรัดไม่ได้เลวงพ่อเทียนเป็นท่านเดินมาหลายทางจนกระทั่งท่านมาเจอทางที่มันลัดเช่นจะเข้ามาในบ้านหลังนี้นะเข้ามาทั้งหลายทางได้จะเดินจะทางอ้อมก็ได้ทางตรงก็ได้แต่พอเดินเนี่ยคนที่เดินอยู่บ้านนี้เป็นประจาจะรู้ว่า ทางไหนไปทางอ้อมทางไหนไปทางตรงนะแล้วแต่ความจำเป็นเส้นทางทางจิตวิญญาณก็มันก็มีเส้นทางแบบนั้นทางอ้อมก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วทางสมถะอ้อมไปแวะเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รู้จะมาถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่บางทีก็ไปหลงอ่าถ้าไม่ชานาญเพราะนั้นทางตรงคือทางวิปัสสนาทางตรงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ว่ามัชชิมาปฏิปทา เาาขาบความหมายมัชฌิมาปฏิภาษแปลว่าทางตรงก็ได้แปลว่าทางสายกลางก็ได้แปลว่าทางพอดีก็ได้แปลว่าทางความสมดุลก็ได้อย่างสมมุติว่าเรายิงสัตว์นี่นะถ้ากระสุนมันเฉไปนี้แต่ไม่ตรงน่ะมันจะถูกไหมอ่าถ้ากระสุนมันไปตรงเป้าเป๊เนี่ยนั่นเขาเรียกว่าทางตรงมันเข้าสู่เป้าหมายมันก็ได้สัตว์ที่เราเรายิง เพราะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางตรงก็ได้แปลว่าทางสายกลางทางสายกลางมันไปตรงนะแต่ทางขอกทางข้างมันไปไม่ตรงมันเฉี่ยออกไปเฉี่ยออกนอกทางไปเพราะฉะนั้นความหมายว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือว่าเราดูรูปดูนามเป็นกลางกลางดูมันเฉยๆแต่ส่วนใหญ่เราไปดูรูปดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์ของเราดูแบบไม่เฉยใช่ไหม ดูอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเลืยกมันไม่ตรงกลางแล้วมันไม่ตรงละดูอยากจะให้มันมีความรู้สึกเยอะเยอะอยาให้มันคิดน้อยๆอยากให้ไม่มีความง่วงอยากให้ไม่มีความปุงแต่งฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ตรงแล้ะเพราะเราอยากเพราะอยากนั่นมันจะไม่ตรงทันทีเลยแต่ถ้าดูตรงๆไปยังไงดูตามที่มันเกิดดูตามที่มันเป็นที่ฉันใช้คําว่าดูสัก แต่ว่าดูแล้วดูซื่อๆเนี่ยนะนั่นความหมายว่าดูซื่อๆเห็นชื่อๆรู้ซื่อ ๆ, ๆนั่นคือทางตรงทางสายกลางแต่เราดูส่วนใหญ่มันไม่ซื่อใช่ไหมพอเห็นความง่วงเรารู้สึกยังไงเราก็มาอยากจะให้มันง่ว ง, งใช่ไหมเราเห็นมันปวดเราไม่เห็นไม่ได้ดูปวดซื่อ ๆ, ๆ, ๆแล้วก็อยากจะให้มันเป็นยังไงมันหายปวดอยากเนี่ยอยากแค่มันหายปวดทําไปแล้วมันเบื่อ เราก็อยากจะให้มันไปไงไม่อยากจะเบื่อเห็นไหมนี่ข้อผิดพลาดมันคือไม่ได้ดูมันชี่ซึกอะเวลามันเบื่อขึมันก็ดูเบื่อซื่อเลยเองเนี่ยทางโรงมันง่ายนะแต่เนื่องจากขาดอะไรขาดความเข้าใจที่ถูกต้องมันง่วงก็ดูอ๋อมันง่วงอย่าไปง่วงกับมันเด็กถ้าไปง่วงกับมันมันซื่อเลยยังแล้วไม่ซื้อแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยถ้าจะไปปฏิเสธไม่อยากจะให้มันง่วงมันก็ไปอีกข้างหนึ่ง เราไปเป็นตัวง่วงมันก็ไปอีกข้างหนึ่งมันไม่ตรงกลางแล้วใช่ไหมอ่าแต่บางคนนั่งง่วงเราก็ไม่รู้ง่วงนี้เขามามันก็ออกข้างแล้วหรือบางคนง่วงแล้วกเกิดปฏิเสธไม่อยากจะง่วง ล, นนลุกไปน่นลุกไปนี่ออกข้างแล้วซื่อไหมอยูงี้ซื่อไหมเออเรื่องนี้เลยมันไม่ได้ละเอียดหรอกแต่ว่ามันเข้าใจนะเข้าใจไม่ถูกต้องนะอะ่บางคนนั่งอ่าเวลาลืมตาขึ้นเนี่ยมันเห็นนู่นเห็นนี่มันก็อดคิดไม่ได้ ก็อยากจะหลับตาพอหลับตาเนไม่ซื่อแล้วใช่ไหมแต่ที่ให้รู้ลืมตาก็ให้รู้ว่าลืมตาหลับตาก็ให้รู้ว่าหลับตาเห็นไหมที่นี่เวลาหลับตาเราก็อยากให้มันลืมตาลืมตารียากจให้มันหลับตามันไปยากทั้งนั้นน่ะแต่เอาแล้วเราไม่รู้ทั้งสองอย่างควาจริงจะหลับก็ได้จะลืมแต่ให้รู้ว่าหลับแต่ให้รู้ว่าลืมหลับไปเพื่ออะไรลืมไปเพื่ออะไรเห็นไหมนี่คือข้อผิดพลาดของเรามันไม่รู้ซื่อๆรู้อยากจะให้มันเป็น เวลาหลับตาเราก็อยากจะให้มันสงบเย็นสนิทซึมลึกลงไปเข้าฌานมัน่นแหอะหลับตาแล้วเข้าฌานได้อไม่หลับตามันเข้าได้หรือเปล่าอะไรเี้ยนี่เป็นเป็นความเข้าใจที่ที่มันวกไปเวียนมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่พระท่านก็ไม่เคยบอกให้เราชัดๆหรอกนะแต่ก็ทันก็วกไปเวียนมาเหมือนกันเนเด้อ นั่นก็บอกไปตามที่ท่านเป็นนั่นแหละแต่เอามากับสิ่งเหล่านี้เอามาไม่ไม่ได้ถูกต้องมาก่อนนะแต่มาผิดพลาดมาเป็นร้อยๆครั้งแต่ในความผิดพลาดนั้นอามามีการเรียนรู้มันว่าหลับตามันนําไปสู่อะไรลืมตามันนําไปสู่อะไรง่วงมันนําไปสู่อะไรศึกษาอย่มันให้มันเกิดไม่ต้องเวรรัวมันมันผิดไปแล้วแก้ใหม่ตั้งต้นศึกษามันใหม่อ่ามันง่วง บางครงก็ปล่อยมันง่วงดูอาภาวะที่เราไปกับง่วงเป็นอย่างไรอ่ะาภาวะออกมาจากความง่วงไป็นไงศึกษาอยู่นี้อันนี้คือการปฏิบัติพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาใช่ไหมที่ท่านใช้ว่าไตรสีขาแต่เราไม่ค่อยศึกษาเราไปเป็นมันซะถ้าไม่ยอมเป็นก็เป็นไงปฏิเสธมันซะมันก็เลยไม่ตรงสักทีหนี่งไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทามันเลยช้าไงมันเลยช้า ดังนั้นตรงนี้ขอให้เราเป็นนักศึกษาเอามาไปอ่านหนังสือเซนหลายเล่นท่านจะเรียกผู้ปฏิบัติว่านักศึกษาใช้คําว่า student ท่านไม่ใช้คําว่า practitioner ท่าม่ใช่ว่าอ่าดูวิธี design ผท่านไม่ใช้คาํา p ้วผิท่านไม่ใช่คำลูกศิษย์ไม่ใช่คําว่าสาวกไม่ใช่คำ ว, ว่าอ่า ผู้ปฏิบัติแต่ใช้คำว่า student คือใช้ว่านักศึกษาทั้งหลายเห็นไหมก็ต้องศึกษามันเราถ้าเราไปติดอาการอะไรซ้ำซากเนี่ยเราต้องต้องสกิจใจว่าเอ๊ะทำไมเราง่วงซ้ำซากเหลือเกินเพราะอะไรเราก็มาวิจัยดูอ๋อเมื่อคืนได้เรานอนไม่ค่อยหลับอ๋อสุขภาพเราไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรเห็นไหมต้องต้องูไปที่เหตุมันก่อนนะทางบุติถ้าหากว่าไม่ง่วงซ้ําๆเนี่ยแสดงว่ามัน การหสส่วงซ้ำซากแสดงมีอะไรสักอย่างผิดปกติเราต้องเจาะลึกเข้าไปเลยเอ๊ะทำไมมันมันเป็นอย่างนี้หนึ่งกรรมฐานที่เราฝึกฝนมาเนี่ยมันผิดพลาดหรือเปล่าแก้ไขอย่างไรสองสุขภาพเรามีปัญหาหรือเปล่าแก้ไขอย่างไงสามกลางคืนมาเรานอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเพื่อนข้างๆมันนอนโกรนทั้งคืนเรานอนหลับบ้างไม่หลับบ้างหรือนอนเพื่อนข้า ง, างมันมันเรืเ่อมือเสียดหงลั่นเลยเราเลยนอนไม่หลับเห็นไหม เหตุปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการทบทวนนะไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยไม่ใช่นะหรือบางทีลืมปิดโทรศัพท์โทรศัพท์มันดังขึ้นมาเนี่ยเราตื่นแล้วนอนไม่หลับต่อหรือเปล่าหรือมีข่าวเผลอไปรับโทรศัพท์เข้าอะไรนอนไม่หลับต่อเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ต้องทบทวนต้องสอบสวนมาจากอะไรแต่อาการที่มันเป็นปัจจุบนันเป็นปลายเหตุที่มันทําให้เราต้องหลับต้องง่วงต้องซึมสลืออะไรเนี่ยมันเป็นปลายเหตุของมัน ในเมื่อต้นเห็นไ็นรับการแก้ไขมันก็จะซ้ำซากอยู่นียตลอดไปแต่ในฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาแก้ไขทบทวนศึกษาแก้ไขทบทวนร้อยครั้งพันหน่หมื่นครั้งแสนหน่วยก็อยอมเพราะนั้นคือเส้นทางที่เราจะต้องเดินนะและอันนี้คือวิธีการแปลสภาพจากส่วนที่มันลบให้มันเป็นบวกจากส่วนที่มันเป็น อากุศลให้เป็นกุศลด้วยวิธีการศึกษาเท่านั้นนะดังนั้นเองเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราจึงต้องกลับมาดูนะกลับมาดูตัวเองชัดชัดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลักษณะของคนคิดเยอะๆรู้เยอะๆเนี่ยถ้าไม่ได้คิดถ้าไม่ได้รู้นะมันจะง่วงอันนี้คืออุปสรรคอันหนึ่งของคนที่ฉลาดคิดนะฉลาดรู้นะแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้รู้อะไรจิตมัน มันไม่มีงานทามันมันไม่มันทรงอยู่ไม่ได้แต่พอได้คิดได้พูดได้อะไรแล้วรู้สึกมันตื่นตัวมีพลังทันทีอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะมาเฝ้าสังเกตเฝ้าศึกษาเฝ้ามาผ่านผ่านการอบรมแบบนี้มาเยอะแล้วก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแต่ว่าบางคนต้องยอมรับว่าสนาพของเขาเป็นอย่างนั้นแก้ยังไงก็ไม่ได้เราต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นจนวเขาจะ รู้เรื่องนั้นขึ้นมาเองแล้วก็แก้ไขเองเราไปพยายามแก้ร้อยครั้งผลไม่ตกหรอกอย่าไปแก้เขาให้ยากเลยต้องปล่อยให้เขาแก้เขาเองฮะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายเคสหลายกรณีเราต้องศึกษานะไม่เช่่าทุกอย่างเราจะไปแก้เขาได้แต่บางครั้งก็ต้องให้เขาเป็นเองเขาแก้เองอย่างพระพุทธเจ้าแก้พระมหาโมคคลานะใช่ไหมท่านปล่อยให้มหาโมคคลานะง่วงมาตั้งหกวันนะ่ะวันที่เจ็ดท่านบองค์มันไหวกําลังเขาไม่พอ ท่านเลยไปช่วยพอไปช่วยส ก, กิทเท่านั้นแหละ <c oughs> บรบรลุธรรมทันทีเลยเห็นไหมอันนี้เขาไปถูกจองหวะนะแต่ถ้าเอาว่าเขาไม่พร้อมที่จะแก้ไขแล้วเราไปแก้เขาแล้วเสียหายนะไอเราก็เสียหายไอคนถูกแก้ก็ เ, เ, เสียหายเพราะเขายังไม่พร้อมอ่ะเกว่าถูกข่มขืนว่างั้นได้ใช้ภาษาทั้งโลกนะก็เสียหายทั้งสองฝ่ายนะก็ะหมายความว่าถ้าเขาพร้อมเนี่ยไปแก้ปับ๊บพลิกเลยจิตพลิกเลยมหาบุคคลนาพลิก มหมามคระนภิคเลยใช่ไหมบรรลุภะรหันภายในวันนั้นเลยแต่พุทธิยากษก็พยายามเหลือเกินนะเวลามันง่วงขึ้นมาเอา้ า, อ า, อาลืมตากว้างๆสิอ้าวลืมตากว้างก็ยังง่วงอีกไปล้างหน้าสิเอาไปล้างหน้าก็ยังง่วงอีกเอาหาอะไรมาแย่หูเล่นแย่ตาเล่นสิแย่หูแยตาเล่นก็ยังเอาลูกไปเดินสิเอาลูกไปเดินก็ยังง่วงอยู่เอาไปนอนซะเถอะนะ่ แต่ว่ามีเงินไขนะเวลานอนต้องนอนแบบนี้นะนอนแบบนั้นไม่ได้นะพอวืบลงไปแค่นั้นนะ่ะสว่างโล่งเลยนะเห็นไหความพยายามของพรุทิเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหมือนกับหลวงพ่อเทียนที่จะสื่อความหมายว่าไอไอความโรคโกรธหลงเนี่ยมันบีบขั้นใจเราแบบไหนเนะี่ยท่านพริกใายพิกขวในการแก้ให้เห็นเลยเนะี่ยท่านไม่ไม่ยอม คือหมายคคนคนเราเนี่ยเข้าใจถึงโทษถึงอนิสงฆ์แล้วเนี่ยเราแก้ไขตัวเองได้ง่ายมากแต่ถ้าไม่เข้าใจถึงโทษถึงอนิสงฆ์มันนะแก้ไขทรื่งอะรก็ก็ไม่ตกอะเพราะไม่เห็นว่าจะแก้ไปทำไมแล้วก็แช่อยู่ในอาการเดิมนี้นะร้อยวันผ่านปีก็ไม่เปลี่ยนแหวงไม่แก้ไขลักษณะนี้มันไปบดบังทางปัญญาลักษณะของนิวรณต่างๆนี่นะ เป็นอุปสรรคของปัญญาปัญญาแทนที่จะแหลมคมลึกซึ้งรวดเร็วแต่ว่ามันบางมุมมันมืดมันก็ทำให้นิวรณ์จึงเป็นอุปสรรคการนั้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปทาให้มันเสร็จนะแต่ศึกษาไว้เพื่อเรานึกขึ้นได้เวลามีอุปสรรคปัญหาขึ้นมาน mm hmm. ะฮะเหมือนเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเยอะๆนี่นะเราอ่าน ตำราอาหารเล่มนั้น <S <S เล่มนี้เราเคยไปร่วมเขาทําครัวตรงนั้นตรงนี้วันหนึ่งเรานื้ออยาทําเองขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็ได้มีข้อมูลเหล่านี้เข้ามาช่วยใช่ไหมเอเอแกงวันนี้ไม่อร่อยอทําไมไม่หรอมันอะไรเยอะไปหรือเปล่าอะไรน้อยหรือเปล่าแกงวันต่อไปเนื้ออร่อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอามันคงใช้ใสอันนั้นน้อยไปอันนี้มากไปแกงวันต่อไปก็อร่อยขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมพอมีการทดลองมีการแก้ไขกับตัวเองแล้ว การปฏิบัติก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นโอ้ปฏิบัติวันนี้ม <con Chill zeit> ีความขี้เกียจอ่ะปรับตรงนั้นนิดหนึ่งปฏิบัติวันนี้ง่วงเยอะปรับตรงนี้หน่อยหนึ่งปฏิบัติวันนี้ฟุ้งซ่านเยอะปรับตรงนั้นพอปรับไปปรับมาเนี่ยจิตมันเกิดขั้นใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า alert คือมันตื่นตัวมันเตรียมตัวขึ้นมาทันทีเลยนะไม่ยอมจำนวนไก่นิวรณ์ไม่ยอมจำนวนไอ่กีเล็ดอันหาทั้งหลายอันนิวรณ์ตัวต้นๆเรายังยอมยอมจำนวนใหม่มันอ่ะ อ้แล้วตัวใหญ่ๆมันจะสู้มันได้ยังไงมันก็จะเกิดตัวตั้งเงื่อนไขกับตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมมันทีนี้ไม่ยอมมันก็หาทางออกนะนิวันบางตัวถ้ามาสู้ไม่ได้จริงๆมาก็ลุกหนีเลยนะแสดงว่ากําลังเราไม่พอนะเอาไปไปไปอัพกำลังขึ้นมาใหม่มาสู้กันใหม่แล้วไม่ยอมจํานวนถ้ายอมจำนวนมันบ่อยๆเนี่ยมันติดนิสัยกลายเป็นนิสัย ลักิณะใสนีส่แก้ยากกว่าอะไรอีกนะดัง น, นั้นนิวรณตัวไหนก็ตามอย่าอนุญาตให้มันติดตัวนั้นบ่อยถ้าติดแล้วแก้ยากแต่แก้แล้วมันก็เป็นภาพลบของเราเองแล้วก็ไปบดบังปัญญานในบางส่วนแล้วมันก็ไปเพิ่มทิฐิอัตตานในบางส่วนนะเรื่องเหล่านี้ละเอียดอ่อนมากถ้าเราไม่ศึกษาแต่มามันชอบชอบศึกษานะบางครั้งเอาตัวเองลงไปศึกษาบางครั้งได้เจ็บได้ป่วยก็มีนะ แก้ไขตัวเองนี่แในเรื่องกายนะ่ะแต่ว่ามันก็ได้ข้อมูลขึ้นมาถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ได้เราไม่ได้บทเรียนนะะเมื่อเราไม่ได้บทเรียนเราไปแก้อะไรก็ยากแล้วทีเนี้แต่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเป็นนักศึกษาเรานั่งแล้วนานๆไม่พลิกดูบา้างเป็นยังไงนั่งไปแล้วก็พลิกบ่อยๆเป็นยังไงนั่งแล้วมัน ปวดตรงนั้นไอความปวดมันเป็นไงบางทีเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเพื่อศึกษามันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนเพราะขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็ไปแช่อยู่นั้นอันนี้เรียกว่าไม่ได้ศึกษาแล้วนะก็ให้เกิดโมหะแล้วโมหะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอแต่ถ้ า, ากว่าเรามีเจตนาว่าจะศึกษาแช่มอยู่ตรงนั้นแล้วดูว่ามันปวดแค่นี้มันเป็นอย่างไร <c oughs> ขยับนิดหนึงไอความปวดมันหายไปได้ไง อัดต่อไปอีกหน่อยในความปวดมันเพิ่มแบบไหนเนี่ยโอ้สนุกถ้าเราปฏิบัติได้เข้าใจนะมันจะไม่กลัวอุปสรรคเหล่านั้นอุปสรรคเหล่านั้นกลายเป็นอุปกรณ์ให้เราศึกษาเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาได้ทุกนาทีเลยเห็นไหมเราดูแบบศึกษาเนี่ยนำไปสู่หลักซื่อหลักตรงแบบเราศึกษาแผนที่อ่ะใช่ไหมวิ่งไปก็ ดูศึกษาแผนที่มันก็ได้ทางที่รัดขึ้นรัดขึ้นแทนที่เราจะต้องอาศัยบ้านนี้ไปสิ10ปีก่อนถึงจะรู้จากทางรัดไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามาบ้านนี้แค่3าวันหวันเรารู้จากทางรัดทางตรงทางอ้อมหมดเลยดีกว่าใช่ไหมมันก็จะนำไปสู่ความรวดเร็วลดการเสียเวลาลงนะบางคนเอามาทดสอบดูพระนะไปอยู่กระดมาทั้งสาปียังไม่รู้เลยชีวิต ไ, ไฟไอตรงนั้นมันเปิดตรงไหนเอไฟดวงนั้นปิดตรงไหน เอาไปปิดไฟตรงนั้นน่อไปไม่ถูกเลยถ้าคุณอยู่วันที้ตั้งสองสปีทําไมคุณมาศึกษาอันนี้ใครเรื่องง่ายๆน้อกๆ อ, กอะ่ะถ้าคุณมาปฏิบัติกรรมฐานกูจะไปได้ยังไงเนี่ยเอามาก็เริ่มต้นตรงนี้เลยนะเริ่มต้นการฝึกตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรทันโตเศธโธมนุสเสสุวิชาจารณสัมปันโนเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ฝึกตนด้วยวิชาด้วยเจรณะอยู่เสมอเนี่ยเป็นคนประเสริฐ แ ม, ม้แต่ในในโตอาหารนะม่แต่ในโตัวอาหา ร, นะา ห, ารหลังจากฉันเสร็จแล้วมาไม่ได้อยู่เฉยๆนั่งแช่บ่ให้โตเลอะเทอเกะ ก, กะไม่ก็ลืมเช็ดตรงนั้นลืมกวาดตรงนี้พอลุกไปแล้วเนี่เหมือนไม่ได้ฉันอะไรเนะี่สะอาดเหมือนเดิมเราไม่ได้ช่วยคนงานพี่เลี้ยงอะไรมาชมมาชอบเราตรงนั้นแต่อย่างน้อยเราได้ฝึกตัวเองนะ ฝึกตัวเองให้เป็นคนสะอาดเป็นคนเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองต้องฝึกตัวเองอาศัยกกากรสถานการณ์ทุกสถานการณ์เป็นอุปกรณ์ในการฝึกตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้มันดีหรือไม่ดีละมันก็กลายเป็นนิสัยใช่ไหมแล้วนิสัยที่ดีๆเนี่ยทำเหมือนเราไปฝึกให้ตัวเองแต่นิสัยที่ไม่ดีไม่ต้องไปฝึกอะ่ะมันพาเป็นกิเลสมันพาเป็นง่ายๆแล้วนะกิเลสมันพาไปง่ายๆดังนั้นเรื่องเหล่านี้ยเราอย่ามองข้ามนะ อันนี้ในเรื่องของจิตนะว่าในเรื่องของจิตต้องฝึกฝนอย่างนี้ให้จิตไปสู่เวลาเรามากรรมฐานเรามาปฏิบัติวิปสัสสนามันก็ไม่เกิดความซับซ้อนแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันตรงๆแก้ไขมันตรงๆไม่ต้องใช้ความคิดใช้ความรู้อ่าใช้ความรู้ตัวที่เราต้องเคลื่อนไหวกําหนดรู้ตลอดเวลานี้เป็นอะไรเป็นเสมือนเครื่องปั่นไฟในสมัยก่อนไหมเคย เคยเห็นไหมเราใช้ตะเกียงเจออ้าพายุไไไไ for, ใช่ไหมพอใช้ไปพักหนึ่งเปไงแสงเป็นไงมันฝ่อใช่ไหมแล้วเสร็จเราทำไงให้มันสว่างขึ้นอ่าเราก็สูบแยกแยกแกยกยกไฟมันก็สว่างขึ้นเอาสักพักหนึ่งมันมันฝ่ออีกแล้วก็สูบแยกแยกยกปั๊มลมเข้าไปฮะเราก็เหมือนกันพอปฏิบัติไปสักพักมันก็ชัดงบอ่าเราก็ปรับนุ่นปรับนี่สมัยอ่าพอนั่งปฏิบัติไปสักพักอ่ะงบอีกแล้วก็ปรับนุ่นปรับนี่ก็เหมือนก็ได้สูบ แต่ถ้าเราไม่ยอมสูบเป็นไงไฟก็เป็นไงอเอาก็มอดไปเห็นไหมอันนี้คือวิธีปฏิบัติมันเป็นธรรมชาติมากแต่สมัยนี้มันไม่เห็นแล้วนะที่เกียงเจ้ออยู่นะมันมีกดแชะเดี๋ยวก็สว่างกดแชะเดี๋ยวก็ปิดทันทีอันนี้ทําให้เราขาดการเรียนรู้ดังนั้นระบบทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์หรือช่างทั้งหลายเข้าทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการ ค้าเป็นบิสเนสและคนที่ฉลาดก็เลยมีโอกาสเอาเปรียบคนที่ไม่ฉลาดคนที่รู้งานก็เอาเปรียบคนที่ไม่รู้งานคนที่เป็นช่างก็เอาเปรียบคนที่ไม่ใช่ช่างก็หากินกันแบบนี้นะแต่ไอเราซึ่งไม่ใช่ช่างเราก็ไม่เคยเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองเราก็ต้องหาเงินทั้งวันทั้งคืนเพื่อเอามาจ่ายกับพวกนี้บ้านเสียก็ต้องหาช่างไฟเสียก็ต้องหาช่าง ทุกอย่างเอาความรู้เหล่านี้ไปฝากเขาหมดแต่ในวัดอามาไม่ยอมนะ่มวัดอะไรทำได้ทำน้ำเสียไฟเสียกุฏิพังสาราเสียตรงไหนซ่อมกันเองทำกันเองในสมัยแรกๆที่อยู่ที่แพร่แสงเทียนเพราะนั้นพระรุ่นนั้นที่ไปอยู่กับมาออกไปนี่ตั้งตัวได้เลยว่า ง, งั้นเถอะอ่า แต่าะอามาไม่ได้เป็นช่างเองนะในบรรดาในกลุ่มด้วยกันสิบคนยี่บมันจะต้องมีคนหนึ่งที่มันมีประสบการณ์แล้วก็เอาคนนั้นมาเป็นช่างสอนพวกนีไอ้คนที่เคยผ่านช่างไฟมาก่อนก็ให้เขาสอนพวกไอ้คนที่ผ่านช่างน้ำปลาปลามาก่อนก็ให้เขาก็สอนพวกเพราะฉะนั้นครัวาอใจแรกๆที่อยู่ก็จะมาออกไปิตั้งตัวกันได้เพราะอะไรเพราะเราใช้วิธีการนี้ฝึกกันทั้งภายนอกภายในแล้วถ้าคนทํางานภายนอกเป็นเนี่ยมันจะทํางานภายในเป็นแต่คนไหนที่ เพื่อนเขาทํางานกันเพื่อือเพฝึกฝนกันไม่สนใจใปฏิบัติอย่างเดียวปรากฏว่าคนนั้นไปไม่รอดนะมีหลายองค์ที่ที่ออกไปทั้งใช้ปฏิบัติขยันปฏิบัตินะแต่ว่าเราไปอยู่ด้วยตัวเองทําอะไรไม่ไม่เป็นไม่รอดต้องอาศัยคนอื่นพออาศัยคนอื่นปั๊บมันก็มีนี่บุญคุณต่อกันใช่ไหมเพราะมีนี่บุญคุณต่อกันแล้วมันก็ไปด้วยกันหลายองค์ที่ที่ถูกเชียวออกไปเพราะว่าทําอะไรไม่เป็นให้คนอื่นมาช่วย ช่วยไปช่วยมาเขาไม่ได้ช่วยตัวเราเขอเอาตัวเราไปด้วยสิเห็นไหมอันนี้คือผลเสียแต่บางคนที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นแล้วไม่ต้ององอคนอื่นช่วยเหลือตัวเองหมดใช่ไหมมันก็ไม่ต้องพึ่งใครหรือพึ่งในส่วนที่จําเป็นส่วนไหนที่ไม่จําเป็นพึ่งก็ไม่ไม่ต้องพึ่งมันก็ไปไม่ต้องเปนหนี้บุญคุณกันมันไม่ต้องไปเห็นใจกันตรงนั้นอันนี้มาศึกษานะสังเกตแต่เราไม่บอกเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามา เหมือนกับพ่อค้าที่หลวงพอเห็นเล่าให้ฟังเมื่อวานใช่ไพ่อค้าสองคนคนหนึ่งมันซื้อทุกอย่างแบกไปแบกไปในที่สุดพ่อไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปพบของที่มีค่าเลยซื้อไม่ได้แล้วไม่มีที่ใส่หมดเงินซื้อจซื้อพ่อมันมีแต่ป่านแต่พอแต่ผ้าชนิดหยาบๆเช่นั้นใช่ไหมแต่พ่อค้าอีกคนหนึ่งมันซื้อแล้วก็ขายต่อไปเรืเ่อยๆแลกเปลี่ยนออกจากสิ่งที่ไม่มีค่าเป็นของมีค่ากในที่สุดกลับบ้านเหลืออะไร ได้แต่เพจแต่ฟอยไปนนิดเดียวใช่ไหมแต่มีค่ามหาศาลแต่คนนึงโอ้ได้ทั้งล้อทั้งเลียนมาเต็มล้อเต็มเกียนเต็มรถเลยแต่ประเมินเป็นคุณค่าแล้วมีไม่เท่าไหร่เราก็เหมือนกันในการศึกษาเรียนรู้ในวงการศาสนาวงการกรรมฐานมันมีอะไรทั้งแปดหมื่่พันอย่างใช่ไหมอาจารย์สอนคนนั้นก็น่าเอาอาจารย์สอนอาจารย์ตรนั้นสอนอันนี้ก็น่าทำอาจารย์ตรงโน้นสอนอันนี้ก็น่าเอาหมดลุ่มหลังไปหมดบอกว่าปล่อย ไปทิ้งโอไม่ได้อาจารย์สอนนี้ถ้าเอาไปของอาจารย์ไปทิ้งเดี๋ยวจะบาปไปโน่อนอีกนะมันก็เลยลุ่หลังไปหมดเลยอพอไปสร้างสํานักก็ดีสานักไปไม่ได้แล้วพอไปสร้างที่ปฏิบัติไปไม่ได้อะแตมาไม่ใช่เงนันอามาพอศึกษาไม่ตําหนิใครว่าใครสอนใครถูกผิดมาแต่เขาสอนเ น, นีต้องมีสิ่งที่ดีของเขาเราก็เลือกดูอะไรซี CD ่ดีๆๆที่เขาสอนะเราก็เลือกเอาอันนั้นไอที่ไม่ดีเราก็อย่าไปเอาเอาไปสํานักนั้นเขาสอน มันจะต้องหันสอนสิบอย่างมันจะต้องดีสักอย่างเนะี่เราก็เอาส่วนที่มันดีแล้วก็ไปเอามาสร้างสร้างสำนักมาเป็นสี่สิบสำนักเอามาไม่เคยอยู่สักสำนักเลยสร้างเสร็จแล้วพอได้ปัญญาแล้วก็ไปได้ฝึกคนไอเราก็ได้ปัญญาแล้วก็ไปในที่สุดเราก็ไปเบาสบายได้เพชรเม็ดงามไปแล้วก็สบายไปที่ไหนก็ไปได้ทันทีไม่ต้องปฏิที่ไหนนะีดังนั้นอันเนี้ย ที่ท่านองค์พอเทียนนั้พูดท่านหมาถึงอย่างนี้นะถ้าเราไปทําอะไรก็ติดอันนั้นแล้วเสร็จเลยไปไม่รอดแล้วก็อย่าติดนะแต่ไม่ได้บอกให้คุณพันทิ้งสํานักนะรักษาอยู่ตรงนี้ท่ายังมีกรรมอยู่นะเมื่อไรหมดกรรมแล้วเราจะทิ้งได้ไม่จะหมดแล้ ว, <c oughs> ลว <c oughs> รักษาไว้ก่อนเพื่อให้อาจารย์คุ้มขี่จะได้มาใช้บ่อยๆเอาไม่มห า, <c oughs> าเลยเอามาเดี๋ยวธรรมะจะเดี๋ยวธรรมะจะสันมาอย่างนี้นะดังนั้นเราจะเห็นว่า เรื่องเหล่านี้เราผ่านโลกนี้เพียงเพื่ออาศัยและลึกที่เราสวดใช่ไห ม, มยาวะเทวายานามัตตยะเพียงเพื่อรู้<ม>อ<ม>เพื่อเพื่อรู้ปฏิสติมัตตยะเพียงเพื่ออาศัยและลึกอ่า<ม>ลึกแล้ว ย, สยูสองคนอย่าไปเกี่ยวข้องกันนั่งเขาจางนั่งทำเดี๋ยวไปยุ่งกัน อ, อย่าไปพึ่งกันนะ นั่สร้างเชี่ยวไหไดดีของเล็กๆน้อย น, นอย่าประมาทนะต้องดูแลตัวเองอ่ามันกล า, า, ายไปที่ใสจุกจิ ก, จ ก, จ ก, จกไปเรืเ่อยๆดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเราต้องสังเกตศึกษานะบางทีมาพูดไปก็ไม่เก็ตหรอกเพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะนะเพราะาไม่ฉลาดเท่าที่ควร น, นะดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะทําอะไรตามเดิมที่เราทํา ต้องสังเกตต้องศึกษาว่าไอ้ใช่หรือไม่ใช่ที่เราทํานี้นใช่หรือไม่ใช่ทวงกับมหาตัวเองเสมอถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แบบหลวงพทอเทียนเนี่ยท่านให้เน้นที่ตัวเองบางคนก็ตั้งปัญหาถามเอ๊ะเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคานองนี้นะไม่ใช่นั้นพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าท่านจะไปช่วยทุกคนก่อนแล้วจะช่วยตัวเองเนี่ยท่านไปไม่รอดนะใช่ไหมถ้าได้หนีเอาตัวเองไปก่อนเลยพอหนี้ตัวเองข้ามฝั่งไปแล้ว ปลอดภัยแล้วท่านเคยเห็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันไม่ปลอดภัยพอข้ามไปอีกฝั่งมันปลอดภัยกว่าท่านทำไงรีบสร้างแพสร้างเรือไปรับคนกลับมาท่านไม่ข้ามไปฝั่งนู้นก่อนเสเองท่านจะไปรู้ว่าฝั่งนั้นมันปลอดภัยแค่ไหนใช่ไหมท่านข้ามไปก่อนข้ามไปคนเดียวเลยนะข้ามไปหลายคนมันลาบากมันลุงหลังใช่ไหมท่านข้ามไปคนเดียวพอรู้จากว่าตัวเองปลอดภัยก็สร้างแพสร้างเรือขนาดใหญ่ข้ามไปแล้วไปรับคนฝั่งนั้นมา ไปฝั่งโลกิยะมาสู่ฝั่งโลคุตละในระหว่างกลางมันเป็นเหมือนห้องน้ํานั้นหมายความว่าเราอยู่ในฝั่งโลกิยามาก่อนคือหมายความว่าเรามองออกตนอกตัวเองตลอดเวลานั่นฝั่งโลกิยะแต่บัดนี้เรากําลังข้ามาฝั่งโลคุตละคือมาดูตัวเองกลับมาหาตัวเองกลับมาความรู้สึกตัวเองนี่คือฝั่งโลคุตละ เราต้องสร้างฝั่งนี้ให้เข้มแข็งซะก่อนสิสร้างความรู้สึกตัวเพราะเพราะไม่เข้มแข็งจนมันเกิดสติสมาธิปัญญาที่คล่องตัวคล่องใจแล้วก็นําไปบอกให้คนอื่นนั่นเข้าไปช่วยเขาละเออทาอย่างนี้นะไอ้ที่ทํามาแล้วเนี่ยคุณจะมองแต่ออกนอกตัวไม่ถูกนะมันก็จะไปติดแต่เรื่องนอกตัวแหละถ้าติดแต่เรื่องนอกตัวแล้ ว, ว, ลวคุณจะไปรอดได้ไงคุณต้องดูตัวเอง พอดูตัวเองกับความรู้สึกตัวเองเราก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอใช่ไหมอะไรก็ตามที่เราผ่านมาร้อยครั้งบันุนไปบอกคนอื่นเนี่ยมันเห็นชัดหมดอะไรเป็นอะไรแต่ในช่วงที่เราฝึกฝนศึกษาตัวเองเนี่ยเราทําได้ชัดเจนหรือเปล่าทําได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าทําไม่ชัดเจนทําไม่ถูกต้องมันไปสอนคนอื่ น, นก็ผิดก็ผิดแล้วก็ก็พากเขาลกเขาพงไปอย่างที่เห็นหนะใช่ไหมแต่นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนะเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดแล้วก็ศึกษา แล้วก็ทําให้มันถูกต้องเวลามันไม่ถูกต้องแล้วอย่าไปเก็บมันไว้ถามสอบสวนไต่สวนว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าก๊อฟนี่มันดีอย่างนะมันไปส่งอารมณ์แล้วก็ไปมีอะไรมันไปถามมันมาตลอดได้ตลอดเลยมันก็ผ่านพ้พดๆพไปเลยอันนี้ผลที่คนเดินเส้นทางมันก็ไม่เหมือนกันตรงเนี้ยบางคนตั้งใจฉลาดแล้วก็ไปได้ไหวติดขัดตรงไหนถามเลยแต่บางคนตลอดงานไม่เคยถามเลย ก็โมวๆไปงั้นเหมือนกันอย่างเงี้ย น, น, น, น, นะแต่ครูคนเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันแต่ครูคนละอย่างออกไปเพราะบางคนนั้นตั้งใจแล้วก็เห็นความก้าวหน้าชาัดเจนจากที่นี้ไปที่ไหนเข้าอาจารย์ไปถึงที่นี่เราควรจะไปที่ไหนคนนั้นก็ถึงไวกว่าเพื่อนเยอะไหมบางคนขับไปมั่นใจในตัวเองเหมือนกันอ่ะขับไปตรนั้นบ้างตรงนี้บ้างถูกบ้างผิดบ้างมันเลยช้านะอันนี้คือความแตกต่างผู้ที่เข้าปฏิบัติน่ะ ตอนนั้นมาก็เลยมาทํางานอันนี้แล้วเห็นความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทามาแล้วก็สนใจศึกษาทั้งๆที่เราทุกคนไม่มีใครฉลาดมาก่อนนะโง่มาทั้งนั้นแหละผิดมาทั้งนั้นแหละทุกมาทั้งนั้นแหะใช่ไหมแต่เราได้คําสอนท่านครูบาอาจารย์เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนตัวเองในการฝึกฝนตัวเอง ทุกสถานการณ์พอฝึกฝนตัวเองได้ฝึกฝนอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยามาเมื่อก่อนกล้าแตะที่ไหนกลัวไม่อยากเข้าใกล้เลยแต่พอไปอยู่อเมริกาเนี่ยทุกอย่างถ้าคุณไม่รู้จักใช้คอมพิวเตอร์คุณดิ้นไปไหนไม่ได้เลยจะเดินทางก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์จะไปซื้ออาหารก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์จะไปซื้อของต้องเปิดคอมพิวเตอร์ขณะนั้นน่ะเพราะฉะนั้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันเพราะที่อเมริกาเนี่ยคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือทั้งหมด ในการเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเขาอยากจะไปบ้านใครที่ไหนวิจูเขาไปไม่ได้นะมันต้องมีการตรวจสอบเยอะก่อนว่าวัานนี้ใครอยู่ไม่อยู่อยู่เวลาไหนแล้วก็จะรับเราได้หรือไม่เนี่ยตรวจสอบทุกอย่างมันเป็นเป็นระบบแต่เมืองไทยของเราใช้ในส่วนที่เราอยากแต่ในส่วนระบบเขาไม่เอามามันก็ในอย่างที่เราเห็นนี่แหละอ่าเราอยากจะได้อะไรก็เอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้เลยแล้วก็หาเงินแทบจะขายประเทศกันยังไม่พอเลยตอนนี้ ประเทศเราไปนี่ไปกี่แสนล้านเลยใช่ไหมเพื่อจะไปซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ไม่พยายามผลิตด้วยตัวเองต่างกับญี่ปุ่นตัวจีนอ่าตอนนั้นขอให้เราเห็นว่าอันนี้คือข้อผิดพลาดบุพร่องที่คนของเราไม่มีนิสัยในการศึกษาเรียนรู้ตัวเองอ่มันก็เลยทําให้เราอยู่แต่ฝั่งนั้นแหละฝั่งโลกละนั่นแหละวนก็อยู่ตรงนั้นแหะแต่เรามีเพียงพวกเราเพียงไม่ไมีแคนมิกีบมือเนี่ยกลับมาที่จะ ขวนขายมาสู่ฝั่งโลกุตระคือฝั่งแห่งความรู้สึกตัวเองนะทีนี้พอพูดถึงโลกุตระโอ้โหรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เดินโตเรื่องยากอันนี้คือสอนไม่ถูกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยครั้งพุทธกาล ร, รามคนหนึ่งแกได้ยินว่าโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นตัวที่นําไปสู่การพ้นทุกข์การดับทุกข์กันไม่ต้องมาเกินว่ายตายเกิดอีกอยากจะรู้เรื่องโลกุตระธรรมมันเป็นอย่างไรเพราะเขาก็ไม่เคยฟังมไม่เคยรู้มาก่อน ทีนี้ก็ไปถามอาจารย์สำนักเมื่อก่อนสมัยนั้นก็สำนักเกจิอาจารย์มันก็เยอะเหมือนทุกวันเนี่ยแต่ทุกวันนี้เยอะกว่าสมัยนั้นหลวงพ่อบอกว่าร้อยแปดสำนักใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นพันๆสำนักกันมันไม่ใช่ร้อยแปดมันยากขนาดไหนเ่ยทีนี้พรามคนนี้ก็ไปถามหลวงคุณตาลธรรมเป็นไงก็อตอบอย่างหนึ่งไปสำนักโน้นหลวงคุณตามคืออะไรก็อตอบไปอย่างหนึ่งหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้ทีนี้มีคนแนะนําบอกว่าเออนี่สมณะเสาะขยบบุญอ่ะท่านออกบุแล้วนะ ท่านเป็นกษัตรย์ออกบทได้ข่าวว่าท่านคนนั้นนะ่ยรู้จักโลกุตลุลธรรมดีลองไปถามสิถามเขาเดี่ยวไปเลยได้ข้อมูลอย่างนั้นนะไปก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าทำนั่งพักอยู่ก็เข้าไปกราบเพราะแต่ท่านสมณะได้ข่าวว่าท่านเป็นผู้โลรู้จักโลกุตลุลธรรมพราพุทเจ้ากําลังแสวงหาคําตอบอันนี้อยู่ได้โปรดบอกพระพเจ้าด้วยเถิดว่าโลคุตลุลธธรรมเป็นอย่างไร พระพเจ้าก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินให้ดูแล้วก็มานั่งร่อนใจะยืนแล้วก็มาเดินยืนแล้วก็นั่งแท่านจะสร้างจังหวัดหรือไม่เราไม่เห็นนะเราไม่กล้าพูดตรงนั้นนะฮะแล้วก็นอนแล้วลุกขึ้นมานั่งใหม่ก็บอกว่านี่แหละพราหคือโลกุตตระธรรมว่างั้น ความนั้นก็งงเป็นไก่ตาตุบเลยทีเนี้เอ๊ะอะไรยืนเดินนั่งนอนนี้ใครก็ก็ทำได้ถ้าไม่เห็นว่าไม่เป็นโลกุตระธรรมตรงไหนพระพุทธเจ้าตอบว่าไงดูก่อนพราหมณ์ชาวบ้านทั่วไปจริงอยู่มีการยืนเดินนั่งนอนก็จริงแต่ว่าเขายืนเดินนั่งนอนด้วยความอะไรไม่รู้สึกตัวแต่เราตถาคตยืนเดินนั่งนอนอย่างรู้สึกตัว ผู้ใดก็ตามถ้ามีการยืนเดินนั่งนอนอย่างรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาผู้นั้นเชื่อว่ารู้โลกุตตรละธรรมอยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมเออไม่พามก็หายสงสัยไม่ต้องไปถามใครอีกเลยแล้วก็มุ่งทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถไม่นานพระหมณ์คนนี้ก็เข้าถึงโลกุตตรละธรรมอันนี้คือความว่าทาไมพรพุทธเจ้าท่าน แสดงทำแล้วทำไมคนเข้าใจง่ายเลื่องขึนท่านบอกตรงตรงชัดชัดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอ้อมพ้อมปิดบงังแต่มาไปฟังอาจารย์บางท่านบอกว่านี่นะผมรู้ร้อยหนึ่งนะผมจะบอกแค่สองครนั้นนะอา้าวอย่างงี้มันก็แย่ท่านผมจะอยู่กับท่านได้งไงแบบเนี้ยผมจะอยู่กับท่านร้อยวันพันปีท่านก็ผมก็รู้จากท่านแค่สองอ่ะแล้วอีกเก้าสิบแดท่านจะบอกผมเมื่อไหร่ละ เข้มาก็ต้องหนีเหมือนกันนะอาจารย์แ่านั้นก็มีการปิดมิดบังเอาไว้แต่ความจริงถ้าคนรู้จริงท่านไม่บังหรอกท่านก็อยากจะให้เราได้นั่นแต่คนรู้ไม่จริงก็บังความไม่จริงเอาไว้นั่นแหละความจริงแสดงว่าท่านรู้แค่สองเหมือนกันอีก98ท่านยังไม่รู้เหมือนกันเพราะงันเถอะวันนี้ท่านจะบอกอย่างเี๋ท่านบอกไม่ถูกแต่ผมรู้ร้อยนึงผมบอกแค่2องนะอีก98นี้ผมไม่บอกนะแบบีคุณก็ต้องการให้คนมาขึ้นกับคุณเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ถูกนะทุกวันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแต่พระ แต่ว่าคุณจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องของคุณนะ่ะไม่สงวนหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรู้นะดังนั้นเองเอามาก็สนใจที่จะศึกษาติดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ท่านรู้เหมือนกันอันไหนที่ท่านยังไม่รู้เราฟังบ่อยๆในสิ่งที่ท่านบอกคําอะไรเป็นรหัสคําอะไรเป็นปิศนาทุกคําพูดของหลวงพ่อเทียนเอามาจะต้องวิเคราะห์เจาะลงไปว่าเป็นยังไงเรารู้เลยอย่างที่ท่านพูดแบบนี้แล้วเราเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าเข้าใจไม่ถูก ไปถามท่านผู้รู้ที่เข้เขาใจถูกแล้วก็มาฝึกฝนใหม่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้มีเวลาพอมีนะอ๋ะอพ่อบอกว่าเหมือนสีไฟนะว่าสีไฟในสมัยนั้นในสมัยโบราณก็ไม่ถึงโบราณนะรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนี่สมัยนั้นมันไม่มีไม่ขีดไฟหรือไม่มีไฟแชกไฟไลเตอร์เหมือ น, นเมื่อเดี๋ยวนี้เน <c oughs> ี่ยก็จะใช้ไฟแต่ละทีก็ต้องเอาไม้มาสีกัน มันสีไฟถ้าไฟต้องสีอย่างงนี้ท่านก็บอกเอ๊ะไอเราไม่เคยเห็นนะท่านพูดถึงเราไม่เคยเห็นสีไฟตอนนั้นน่ะมาจะมาราปีสองห้าอยู่ที่ผาราดนะวันหนึ่งมันนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่องสีไฟบ่อยๆแต่เราไม่เคยเห็นเขาสีไฟก็เลยเอ้าลองทำดูบ้างก็ไปเอามีดในครัวมาหาไม้ไผ่มาท่อนหนึ่งไว้ไผแห้งนะก็มาผ่ากลางแล้วเอาหลังไม้มาสีกันนั่งสีนั่งทูกัอนอย่างนั้น เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเอามือไปแตะดูมันก็อุ่นๆร้อนๆเท่านั้นนะไม่เห็นมันเป็นไฟแลบขึ้นมาทันทีนะคงไม่ใช่แล้วแบบเนี้ต่อมาปีต่อมาก็มาพบหลวงพ่อบุญธรรมที่แก่งคอจังหวัดชายภูมิก็ไปถามหลวงพ่อผมได้ยินหลวงพ่อเทียนท่านพูดถึงเรื่องสีไฟเนะี่ยแต่ผมไม่ผมไปทําแล้วมันไม่เป็นนะ่ะท่านก็ถามย้อนถามว่าท่านทำยังไงผมก็ไม่ไพ่สองอนะันเอาหลังมาถูกัน โอ้คุณถูไปทั้งวีทั้งชาไม่เป็นไฟอ้าวหลวงพ่อทำอยังไงที่นี้หลวงพ่อคุณทําท่านเป็นคนรุ่นเก่าอ่เนาะอะ่มานีไปท่านก็พาไปเอามีดมาเอาไม้ไผ่มาผ่าครึ่งอีกซีกหนึ่งเนะี่ยท่านผ่าแล้วเหลาบางๆเหมือนมีดเลยนะแบตเหมือนมีดเลยนั้นก็ไอๆดันเนี้ยท่านปัดใช่จนคมเหมือนใบมีดเลยนะก็มาวางขอโทษนะเพื่อจะเห็นภาพพจนย ว่าชิ้นเนี้ยท่านก็ตอกหลักขนัดหัวท้ายเลยนะตอกหลักขนัดหัวท้า ย, ยานี้เสร็จแล้วไอ้ชิ้นอีกอันนึงเนี้ยท่านก็มาม า, มาเจาะเจาะเป็นบาทตรงเนี้ยจนทะลุท้องมันเป็นบาทนี้เดียวนะเสร็จแล้วไอ้บาทที่ท่านเจาะขวางมันเนี่ยมาจําเข้ากับไอ้ใบมีดที่มันขวางอยู่เรื่องมาจําลงไปแล้วท่านถูไม่ถึงสองนาทีควนขึ้นเลยทีนี้ไอ้ท่านก็ ขูดไอ้ขูดท้องร่องของไมบไผ่เนี่ยเป็นฝอยมาจุกไว้ตรงที่ปากบาดตรงนั้นถูไปถูมาไอ้ที่มันสันดาบมันแรงมากใช่ไหมมันขนาบทั้งสองข้างแล้วทั้งกดเต็มที่เสร็ <c oughs> จว่าไอ้ไอ้ปะกายไฟมันเกิดขึ้นตรงนั้นตรงที่ไอ้ปากบาดมันเจาะเข้าไปตรงที่ปากไอ้มันทะลุท้องเนี่ยไอ้สะเก็ดไฟมันก็ไหมทะลุท้องนี่ขึ้นมามาติดกับไอ้ฝอยท่านก็จับพัดไปพัมาไฟลุกป๊อบเลยอ๋อแบบนี้อ้าบอกอ้าลงทําดู เร า, าก็ทําปรากฏว่าไฟก็เกิดขึ้นเหมือนกับอย่างที่ท่านเห็นไหมถ้าเราฟังคําบางคําแล้วไม่เข้าใจหรือเราไปทําแล้วมันไม่ถูกอย่าทิ้งไว้ตรงนั้นต้องตามหาคําตอบให้เจออันนี้คือนิสัยของธรรมาอ่าตามหาคําตอบให้เจออ๋อเป็นอย่างนี้เองพอเราไปพูดถึงเรื่องสีไฟเลยเนีย่เราพูดได้แจ่มแจ้งเลยเพออราะอเพราะเราทำมาด้วยกับมือใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดฟังท่านบอกว่าสีไฟสีไฟถ้าเราไม่ลงมือสีไฟด้วยกับมือเนี่ย เราเอาคำพูดของท่านไปพูดต่อเนี่ยถูกไหมแล้วก็พูดได้แต่ว่าลงรายละเอียดได้ไหมไม่ได้เมื่อลงรายละเอียดไม่ชัดเจนคนฟังรูง้เรื่องไหมไม่รู้ไม่แจ้งอันนี้คืออุปสรรคผู้สอนไม่แยบคายไม่ละเอียดและจำไปพูดเพราะฉะนั้นหลงพอเห็นบอกลักของเขาคือหมายความวาจำคพูดของอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ได้ผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองใช่ไหม ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคำเป็นรหัสเป็นปิิศนาเราต้องฟังฟังแล้วต้องทำดูทำดูแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจต้องไปถามท่านที่เข้าใจนี่คือการตามหาคำตอบต้องขนาดนั้นเลยนะดังนั้นเองในเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราทำจุดนี้ได้เพื่อเป็นการตั้งต้นสแสวงหาประสบการณ์และภูมิปัญญาในตัวเองเราต้องขยันหน่อยนะถ้าเราได้ใจฟังฟังฟังไปแล้วเนี่ย ฟังคำพูดเราฟังไม่แจ้งมันก็ค้างอยู่ในใจเราวันใดว่าหนึ่งมันคลิกขึ้นมาเราก็สงสัยแล้วทีนี้เอท่านพูดอย่างนั้นหมายความว่าไงเอท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าที่เราฟังไปมันก็เยอะแล้วนะถ้าจะประมวลเป็นคําพูดเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความสงสัยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลเยอะเทปอาจารย์คนนนก็มีซีดีอาจารย์คนนั้นก็ใช่หลายสํานักหลายอาจารย์บางคนนี่เต็มตู้เลยนะแล้วนั่งดการสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะ เพราะอะไรมันสั่งสมข้อมูลที่เป็นที่เราฟังไม่รู้อ่ะเป็นเป็นขยะเลยความรู้เหล่านั้นแทนที่จะเป็นคุณต่อเราแต่พอเราไปฟังเทพบางอาจารย์ ฟ, รฟังแล้วแจ่มแจ้งฟังแล้วเข้าใจเลยเออนั่นดีแสดงว่าท่านนี้รู้จริงแล้วเราฟังแล้วไม่ต้องไปนั่งสงสัยต่อเราไปทําได้เลยนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องดูเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอออันไหนเป็นธรรมะเราฟังปั๊ธๆเหมือนกับบ้าห่ อ, อฟัง เหมือนกับ น, นักการค้าเมื่อกี้อะไรดีที่เอาหมดนในที่สุดไปถึงวันท้ายแล้วใจใจแล้วหนักหน่วงกว่สิ่งเหล่านี้เกินไปเต็มไปด้วยข้อคิดเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยข้อมูลมันก็ทําให้เป็นภาระพลุงพลังทางสมองใช่ไหมจิตใจถึงแม่ว่าจะเก็บเอาสิ่งดีๆเขาว่าจะสิ่งดีๆนั้นานานไปไงแกงอโอ้วันี่แกงแล้วกินแล้วอร่อยเหลือเกินเอาเก็บไว้พรุ่งนี้ต่ออีกสักสอสวันเป็นไงแกงเท่านั้น บูดเพราะอะไรเพราะกฎของมันทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอเวลาข้อมูลต่างๆที่เราใส่เข้าไปในหัวในความทรงจําเพราะเรามันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลง เ, เอะบางวันเหนื่อยบางวันเพลียบางวันเซ็งบางวันอะไรรู้สึกสับสนแต่หารู้ว่าไอความรู้ที่เราเก็บไว้ในหัวมั น, มนบูดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันออกมาเป็นอารมณ์ <c oughs> แต่เราเร า, เราไม่รู้สาเหตุเลยใช่ไหมเราค่อยสื่อไม่ได้ว่าทําไมอารมณ์เราเป็นแบบนั้น นะใช่ไหมเอ๊ะเราก็ปฏิบัติทรมาเยอะทำไมอารมณ์เราเป็นแบบนี้แต่หารู้ไม่ว่าเราเก็บข้อมูลใส่หัวของเราเยอะเกินไปเราไม่เคยเคลียร์ออกเคลียร์ออกไม่เป็นซะด้วยนะมันก็บูดสิะเหมือนแกงตั้งทิ้งไว้นานๆดังนั้นอันนี้ข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้การมาฝึกฝนเนี่ยก็เพื่อมาเอาข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปฏิบัตินี่นะเมื่อไปถึงจุดไหนเมื่อไหร่เกิดปัญหาเนี่ย ถ้าเราสู้ตัวเองไม่ตลอดอย่าเสียเวลาตรงนั้นไปถามอาจารย์เอาแตมาอยู่ตรงไห น, นอาจารย์คมกิจอยู่ตรงไห น, นไปถามได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเพร่อพ่อจะมามาเพื่องานนี้ไม่ใช่เพื่อมาโชว์ให้โยมเห็นเฉยๆนะไม่ใช่มาโชว์ตัวอย่างทั่วไปนะอาจารย์มาโชว์ตัวงานนี้อาจารย์มาหามาต้องรีบไปปฏิบัตินะมาโชว์ตัวเฉยๆนะมาไม่ใช่ดาราแต่มาเพื่อเป็นลูกกุญแจที่เราจะนําไปไขแม่กุญแจอยู่ที่โยมแล้ว แต่โยมจะใช้ลูกกุญแจนี่หรือไม่เป็นเรื่องของโยมนะอะถ้าไม่โยมไม่ใช้ก็ไปแขวนไปที่เสานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมานี่เพื่อเป็นลูกกุญแจให้โยมไปไขนะโยมมีพร้อมแล้วในกุญแจแต่โยมล็อกไว้ตัวเองตั้งนานแล้วโยมจะเปิดมันหรือไม่เท่านั้นแหละเป็นเรื่องของโยมนะอ่า น, นั้นเองอันนี้คือคําที่เป็นรหัสที่เป็นกุญแจที่หลงวงพ่อเทียนพูดมาไม่คืนว่าการทําอย่างเนี้ย ก็จับจับวางวางทั้งหลายครั้งท่าชว่วยให้เราเห็นเมื่อคืนใช่ไหมเออทาอย่างนี้มันอย่างนี้นะก็วางกุญแจไว้ก็ยกมือให้ดูเออทําอย่างนี้มาอย่างนี้นะอดูแล้วหน่าน่าสงสารท่านมากแล้วถ้าพยายามทุกอย่างอะ่ะถึงท่านจะป่วยอใช่ไหมท่านเป็นมะเร็งอยู่ด้วยนะนั้นน่นะเออแล้วก็สังเกตไหมเวลาท่านพูดไปบอกออกอกมามะเร็งมันตีขึ้นท่านเลอออกมาเลยอ่าพอพูดไปสักออกอามาลมข้างในมันตีขึ้นมะเร็งท่านกำเริมท่านทนขนาดนั้นนะ หมอก็บอกว่าหลวงพ่อป่วยขนาดนี้พักผ่อนเถอะไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนแล้วอ้าหมอไม่รีบพูดไม่รีบสอนเดี๋ยวธรรมาตายใครจะมาสอนเอาขนาด น, นั้นเลยเนี่อธรรมมาตายใครจะมาสอนนะเพราะฉรรมมาต้องรีบพ่าะหนึงหน่งแหก็จะตายอยู่แล้วต้องรีบทําให้มันให้มันชัดเจนนี่นี่ความเสียสละคุณอุปการขท่านขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นธรรมาเห็นความพยายามของท่านขนาดนี้แล้วเนี่ยอามาก็เลยเอยเราสบายอยู่เรา ยังพอไปได้อยู่เราจะอยู่สบายก็รีบทําแล้วก็หลักประการอีกอันหนึ่งนะอามาไม่เคยทิ้งหลักการของท่านเพราะในช่วงช่วงที่อยู่วัสนามในในปีสองเกท่านฝึกคอร์สอบรมต่างๆเนี่ยเหมือนกับท่านจะบอกอะไรกับเราบางอย่างให้ทํางานให้ทําแบบนี้นะให้สอนแบบนี้นะเหมือนจะบอกเราอย่างนั้นอ่าแล้วก็ท่านก็บอกอะไรหลายอย่างกับเราบางอย่างเราพูดไม่ได้ น, นั่นเองเวลาเอามาไปเปิดอบรมเนี่ยเอามาคือเชิญหลวงพ่อเทียนไปสอนนั่นแหละตรงไหนมันไม่แช็ตไม่เจนไม่ถูกต้องที่คนเอามาเพียงแต่ทําหน้าที่ขยายเท่านั้นเองเอามาไม่ได้เอาหลักการของตัวเองนะบางคนบางคนอื่นนี่เป็นสำนักพิธีการหลวงพ่อเทียนแต่ไม่เคยเปิดเทพหลวงพ่อเทียนเลยนะีไม่เคยใช้ซีดีหลวงพ่อเทียนเลยอันนี้ก็ใช้หลักการของตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทำถูกทําผิด เราก็ไม่รู้อะนี่เรื่องเสื่อมตัวของใครของมันนั้เราไปก้าวไก่ถ้าไม่ได้แต่หลักการเขาเรามาคืออย่างนี้เอาคําสอนหลวงพ่อเทียนไปเผยแพร่ในส่วนไหนไม่ชัดไม่เจนไม่ถูกเราเข้าใจถูกเราขยายให้เออที่ท่านผู้หญิงนี้หมายความว่าอย่างนี้นะพ่อมาฟังท่านหนึ่งสามปีไม่เข้าใจได้อาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามท่านขยายให้ฟังนะดังนั้นมาถึงรุ่นโยมเนี่ยยิงไม่อยากให้เสียเวลา ในสิแล้วเนี่ยให้ให้ฟังให้เข้าใจต้องเอาไปทําดูทําแล้วไม่เป็นหรือมันเป็นอีกแบบนี่ต้อง <c oughs> ต้องรีบถามนะดังนั้นในจุดนี้ก็จึงอยากจะให้มีเวลาในช่วงที่ปฏิบัติทุกนาทีอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาง่วงอย่าไปเสียเวลาฟุ้งซ่านอย่าไปเสียเวลาหลังเลสงสัย อย่าไปเสียเวลาแช่อยู่กับความสงบแต่ให้ศึกษาทุกอย่างที่มันมาหาเราที่มันเกิดขึ้นกับเราศึกษามันดูมันถ้าความรู้เราไม่พอทิ้งไปก่อนสลัดไปก่อนให้เปลี่ยนไปหาตัวใหม่ที่ง่ายกว่าสึ่งว่เรานั่งเนี่ยเราง่วงเราแก้แล้วแก้อีกเนี่ยมันไม่ตกมันไม่หมดแสดงว่ามันเกินปัญญาเราแล้วเราสลัดปัญหาตัวนั้นทิ้งไปเลย ลู้ไปเดินแก้ปัญหาตัวใหม่เอาปัญหาตัวใหม่อเดี๋ยวความคิดมันมาคิดจับเรื่องนั้นมาติดจับเรื่องนี้มาต่อสลัดเท่าไหร่มันไม่ออกอ่ะเรื่องนี้เกินปัญญาของเราแล้วสลัดทิ้งไปไปเอาเปลี่ยนอีบทไปหาเรื่องใหม่ที่มันง่ายกว่าเหมือนโยมข้อหอสอบอ่ะใช่ไหมข้อสอบ20สข้อเนี้ยอ่ะต่อไปสี่ห้าข้อไปเจียวข้อที่ยากโยมก็ติดอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ยอมไปหาข้ออื่นเลยถูกไหมแบบนั้น ไม่ใช่เป็นนักเรียนที่ดีเราต้องมองแล้วข้อไหนข้อง่ายก่อนไปทําข้อนั้นก่อนแล้วข้อยากๆมานั่งคิดทีหลังพอมีเวลาใช่ไหมพอหมดเวลาอย่างน้อยเราก็ได้ข้อที่เราตอบได้ทั้งหลายข้อแต่นักเรียนบางคนไม่ฉลาดพอไปติดข้อยากก็นั่งคิดอยู่ตรงนั้นข้อหัวเรียนดันจนหมดเวลาข้ออื่นๆที่ทําได้ง่ายกว่ากับเสียคะแนนไปเลยอันนั้นไม่ใช่การศึกษาที่ดีเหมือนกันเราทํามาปฏิบัติธรรมคือมาทําข้อสอบข้อสอบเรามีทีงหลายข้อใช่ไหม อย่างน้อยก็ห้าข้อพื้นน่ะยืนพื้นนะาจะห้าข้ออะไรบ้างหนึ่งขี้เกียจทําไปทํามามันเบื่อใช่ไหมสองทาไปมางุนงิดสามทำไปมามันง่วง <c oughs> สี่ทำไปทํามามันฟุ้งซ่านห้าทำไปมาเออสงสัยว่าเออเราใช้ได้หรือเปล่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าคิดไปสงสัยไปห้าข้อเนี่ยแต่ละวันนะ่ะข้อสอบไม่มากแต่แต่แต่ละข้อเป็นไงผ่านได้นี่คือทําข้อสอบไม่ได้นะ ดังนั้นเองก็ในช่วงเช้าวันนี้นะก็มีเวลานี้เราจะได้ออกไปเดินจงกลงุ่มกันจนเกิดถึงเวลาฉานอานก็เราเริ่มตื่นเช้ามากขึ้นวันนี้เพื่อที่จะได้ให้มาสัมผัสอากาศช่วงเช้าอากาศช่วงเช้าตั้งแต่ตีสองถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอพลังจักรวาลมันแผ่รังสีแห่งความบริสุทธิ์ออกมาคนไหนตื่นขึ้นในช่วงนี้ทาความเพียรในช่วงนี้จะได้อารมณ์ดี เพราะได้ ร, รับพลังจากภายนอกและภายในถ้าเรียกว่าพระฮิตาอุตุ <c oughs> ในตัวสธาภายในของเรานเรียกว่าอชัด ต, ตหุตุเป็นพลังแล้วก็พลังตัวนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่จะรู้ทำเห็นทำแม้แต่ผู้ที่เช้าทั้งกระดสรูต้ตนเช้าใช่ไหมเพราะช่วงเช้าได้เป็นพลังของธาตุลมธาตุน้ําเขาทํางานดังนั้นคนตื่นเช้าน แล้วก็สายๆไปธาตุไฟเขาทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงถึงทเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องทานอาหารกินอะไรก็มันย่อยได้ตัวเนี้เพราะธาตุไฟทํางานจนไปถึงหนึ่นบ่ายสองบ่ายสามก็ทัตน้ําธาตุลมก็เข้ามาทํางานของเขาดังนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องของธาตุสีเหมือนกันว่าธาตุสี่เขาทาํางานยังไงแล้วก็จะทําทให้มันถูกต้องสุขภาพเราก็าดีไม่ค่อยมีปัญหาแล้วจิตใจของเราโ ล, งลง่งโปร่งไม่ค่อยมีปัญหานะ ด น, นในชวงเช้าวันี้ก็เพิ่มทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอันไหนที่ยังไม่เกิดก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษามันแล้วศึกษาในส่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเห็นก็ศึกษากำหนดรู้ให้รู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเวลาอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทน